เมื่อบาปยังไม่ให้ผลพระพุทธภาษิตปาโปปิปัสติพัตรังยาวะปาปังนปัจจติจะดาจะปัจจติปาปังอธะปาปานิปัสติพระโตรปิปัสติปาปังยาวะพัตรังนปัจจติจะท่าจะปัจจติพัตรังอธะพัทรานิปัสติแปลความว่าเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนบาปย่อมเห็นบาปเป็นเรื่องดี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 ในทั้นองเดียวกันคนที่กําลังทํากรรมดีอยู่แต่กลับได้รับความทุกทรมานบางอย่างทางั้งทางกายและทางใจเขาผู้มียา น, น้อยย่อมพิศวงว่าเหตุไฉนกรรมดีจึงให้ผลเป็นทุกข์หาได้มียานไกลไปไม่ว่าความทุกข์ที่ได้รับอยู่นั้นหาใช่ผลของกรรมดีที่ทําไห้แต่เป็นวิบากแห่งกรรมชั่วในปางก่อนของตนกําลังได้จังหวะให้ผลเมื่อมันมียานอันถูกต้องเช่นนี้ย่อมมีทุกทรมนานนัดเพิ่มขึ้นอีก มีความหดหูและถอยความเชื่อมันในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมเห็นไปว่ากรรมดีหามีผลดีจริงไหมแต่เมื่อวิบากแห่งกรรมชั่วในอดีตให้ผลพอสมควรและเพลากําลังลงแล้วกรรมดีบางอย่างที่เขาเคยทําไว้ได้โอกาสให้ผลความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่เขาเขาจึงได้เห็นกรรมดีเป็นกรรมดียิ้มได้มีความเชื่อมันในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้แจ้งดังนี้แล้ว เมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ควรซบเซาจนเกินไม่ควรหมดกำลังใจในการประกอบคำดีเมื่อคราวสุกขก็ไม่ควรเพลินจนเหลิงเป็นประมาทควรมีสติและยานควบอยู่กับการดำเนินชีวิตเสมอเรื่องของตำชีวิตความสุขความทุกข์เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมีแง่เงื่อนมากต้องพิจารณาด้วยปัญญาได้ยานอันละเอียดอ่อนแต่ขอให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้โผพันยอยู่กับชีวิตตลอดเวลา จนกว่าบุคคลผู้นั้นจะบรรลุธรรมอันสูงเยี่ยมคืออรหัตผลและดับชีวิตลงทุกอย่างก็จะดับไปหมดพระพุทธภาสิทธิข้างต้นนี้พระศาสดาตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีส่งปรารพท่านอนาถปิณติกะมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้อนาถปิณติกะเศรษฐีท่านผู้นี้เป็นเศรษฐีใหญ่เมืองสาวัตถีใจกว้างช่วยเหลือคนยากจนและคนทั่วไปจนได้นามว่า อน า, าถาปินดิกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอน า, าถาเศษถีเรเลื่อมใสในพระพุทธศา ส, าสนาอย่างไม่คลอนแคลนเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันจ่ายทรัพย์สร้างเชตวันารามถึงห้าสิบสี่โกดคือห้าร้อยสี่สิบล้านเมื่อพระศาสนาประทับอยู่ที่เชตวนารามท่านเศรษฐีจะไปสู่ที่บำรุงวันละสามเวลาเวลาเช้า ให้คนถือเข้าต้มไปเพื่อถวายพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ตอนกลางวันให้คนถือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ ำ, นำพึ่งเป็นต้นไปตอนเย็นก็มีระเบียบของหอมไปไม่ได้เคยไปวัดมือเปล่าเลยเพราะเกรงว่าภิกษุและสามเณรจะพึงแลดูมือว่าเศรษฐีมีอะไรติดมือมาบ้างหนอะเศรษฐีถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานา น, านปีจนกระทั่งยากจนลงนอกจาก จะหมดสิ้นทรัพย์เกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วพวกหอค้าที่กู้หนีของเศรษฐีไปถึงสิบปดโกดคือร้อยแปดสิบล้านก็ไม่ยอมใช้คืนนอกจากนี้ทรัพย์ของตระกูลอีกสิบแปดโกดที่ฝังไว้ใกล้แม่น้ําเมื่อฝั่งพังลงเพราะน้ำซอะทรัพย์นั้นก็จมลงในมหาสมุทรเศรษฐีแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวถึงกระนั้นท่านเศรษฐีก็ยังบริจาคทรัพย์เลี้ยงภิกษุสงฆ์อยู่ทุกวัน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 ท่านอย่าคิดว่าทานของท่านเศร้าหมองเพราะเมื่อจิตพระนีธแล้วทานที่ถวายชื่อว่าพระณีธิด้วยหาเศร้าหมองไม่อันหนึ่งท่านถวายทานแด่พระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกย่อมมีอนิสง์มากส่วนตถาคตเองสมัยเมื่อเป็นเวลามาพร้ามได้ให้ทานเป็นอันมากแก่ชาวชมพูทวีปแต่ไม่ได้ดักกิเนยะบุคคลเลยแม้เพียงพูดถึงพระรัตนตรัยก็ไม่มี โอกาสที่จะได้ทักษิณยญบุคคลเป็นสิ่งหายากดังนี้เป็นต้นทักษิณยญบุคคลนั้นหมายถึงผู้ควรรับของทําบุญครั้งนั้นเทวดาตนหนึ่งซึ่งสถิตยอยู่ประจําที่ซุ้มประตูที่สี่ของบ้านเศรษฐีเห็นเศรษฐียากจนลงแล้วใคร่จะเตือนด้วยความสงสารจึงเข้าไปหาเศรษฐีในห้องนอนในราตรียืนอยู่ในอากาศเศรษฐีเห็นเทวดาแล้วถามว่าท่านคือใคร ข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สีของท่านมาเพื่อขอเตือนท่านเชิญท่านผููเถิดเศรษฐีกล่าวเทวดาจึงกล่าวว่าเศรษฐีท่านไม่ได้เลี้ยวแลถึงการภายหน้าภายหลังเลยให้ทานในศาสนาพระสมณโคดมจนสิ้นเนื้อประดาตัวบัด น, นี้ท่านอยากจนลงมากแล้วยังจะไม่หยุดการจ่ายทรัพย์ให้ทานอันเปล่าประโยชน์นั่นอีกหรือหากท่านยังจ่ายทรัพย์อยู่แบบนี้ท่านจะไม่มีอะไรกิน ไม่มีอะไรอยู่ในการไม่นา น, นักการให้ทานแก่พระสมณโคดมและสาวกของพระโคดมนั้นมีประโยชน์อะไรอย่างไรหากมีอนุสงค์มากยริงอย่างที่พระสมณโคดมว่าท่านก็ไม่ควรจะยากจนลงยิ่งทําบุญก็น่าจะยิ่งรวยขึ้นกอให้ท่านเลิกบริจาคเกินกําลังของตนแล้วรีบขวนขวายทําทงานสะสมกองทรัพย์ให้มั่งคั่งเหมือนเดิมเถิดนี่คืออุบายที่ท่านต้องการให้แก่ข้าพเจ้าหรือเศรษฐีถาม ใช่เศรษฐีเทวดาตอบถ้าอย่างนั้นท่านออกจากบ้านของข้าพเจ้าไปเสียเถิดคนอย่างท่านตั้งร้อยตั้งพันก็มิอาจจะทําให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้ท่านพูดคําไม่เหมาะไม่สมควรมากทีเดียวท่านออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆเถิดอย่าอยู่อีกต่อไปเลยเทวดาถูกเจ้าของบ้านผู้เป็นอริยสาวกรุกรานเช่นนั้นมิอาจดํารงอยู่ได้จึงต้องพาลูกออกไปเที่ยวเร่ร่อนหาที่อยู่ประจําไม่ได้ เพราะที่อยู่หายากเห็นลำบากเช่นนั้นจึงไข่จะให้เศรษฐีอดโทษแล้วกลับเข้าอยู่ในที่เดิมจึงไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนครขอร้องวิงวอนให้ไปกับตนเพื่อขอโทษเศรษฐีแต่เทพบุตรผู้รักษาพระนครไม่กลราบไปบอกให้เทวดานั้นไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์สูงอื่นๆเทวดาจึงไปหาท้าวมหาราชทั้งสีก็ไม่สําเร็จประโยชน์จึงไปหาท้าวสาก่าเทวราช จ, จอมเทพ วิงวอลให้ทา้าวส ก, ก่าไปพูดกับเศรษฐีเพื่อให้ที่อยู่แก่ตนเพราะเวลานี้ตนและลูกหาที่อยู่อาศัยไม่ได้ที่ระหุกระเหินทา้าวสกกะตอบว่าไม่อาจไปพูดกับเศรษฐีได้แต่จะออกอุบายให้อย่างหนึ่งคือให้เทวดานั้นปลอมเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีถือหนังสือสัญญางเงินกู้สิบปดโกร ท, ที่พวกโควคายืมไปเก็บเงินเหล่านั้นให้ได้คืนมาทั้งหมดให้ไปเอาทรัพย์ที่โจมอยู่ในมหาสมุทรอีกสิบโกร ได้ทราบอีกส8บปโกฎอีกที่จำนวนหนึ่งซึ่งหาจะขอมิได้อยู่ในที่แห่งหนึ่งรวบรวมมาให้เศรษฐีทั้งหมดบรรจุให้เต็มห้องที่ว่างเปล่าอยู่เมื่อทำธนกรรมคือการลงโทษอย่างนี้แล้วจงเข้าไปขอขมาเศรษฐีเทวดาได้ทำตามคําแนะนำของท้าวสกะครบถ้วนทุกประการแล้วเข้าไปหาเศรษฐีและกล่าวว่าข้าพเจ้าคือเทวดาอันถานซึ่งสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สของท่าน ทำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านเพราะความอันธพาลขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทําธนกรรมแล้วด้วยการรวบรวมทรัพย์ห้าสิบสี่โกดมาบรรจุไว้เต็มห้องของท่านตามบัญชาของเท้าวสกัดข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลําบากเศรษฐีคิดว่าเทวดานี้รู้สึกโทษของตนแล้วเราควรอดโทษแก่เขาแต่จะนําไปเฝ้าพระศาสดา ให้พระองค์ทรงอดโทษก่อนแล้วเราจะกดโทษในภายหลังดังนี้แล้วนำไปเฝ้าพระศาสดาเทวดานั้นหมอบลงแทบยุคลบาทแห่งพระพุทธองค์กราบทูนว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระคุณของพระองค์ได้กล่าวคำอันชั่วชาใดเพราะความอันธพาลขอพระองค์จงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยดังนี้แล้วให้พระศาสดาอดโทษและขอให้เศรษฐีอดโทษภายหลัง พระศาสดามีพระประสงค์จักโอวาเศรษฐีและเทวดาเรื่องวิบากแห่งกรรมดีและกรรมชั่วจึงตรัสว่าดูก่อนข้าพอดีคนบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนทํากรรมดีก็เห็นกรรมดีเป็นชั่วเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมให้ผลเมื่อนั้นคนบาปย่อมเห็นบาปคนทํากรรมดีย่อมเห็นอานิสง์แห่งกรรมดีดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปว่า ปาโปปิปสติพัดรั่งเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นจะวินิจฉัยเรื่องเทวดาในที่นี้สักเล็กน้อยบางท่านอาจเชื่อว่าเป็นเทวดาจริงคืออุปัตติเทศบางท่านอาจลงสันนิษฐานว่าเทวดาที่กล่าวถึงในที่นี้น่าจะเป็นคนเฝ้าประตูมากกว่าเมื่อถูกล่จึงต้องพาลูกเต้าลยเหเร่ร่อนไปไม่มีที่พักอาศัย ซุ้มประตูใหญ่ๆของบ้านคนใหญ่คนโตในอินเดียนั้นคนอาศัยอยู่ได้หลายคนเก็บของก็ได้มากบางแห่งซุ้มประตูเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเก็บของก็ได้นอนพักได้เคยเห็นซุ้มประตูหลายแห่งผูกเฝ้าประตูบินขึ้นไปนอนบนซุ้มประตูเมื่อหมดเวียนยามของตนแล้วเมื่อคนเฝ้าประตูนั้นถูกไล่ก็ไปเที่ยวหาคนใหญ่คนโตให้ช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าช่วยหรืออาจถือเป็นธุรไม่ใช่ก็ได้จนไปถึงคนใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าแผ่นดิน ท่านผู้นั้นออกอุบายให้เรื่องไปติดอยู่ที่ว่าหากเป็นเพียงคนเฝ้าประตูเท่านั้นจะมีอนุภาพอย่างไรในการไปรวบรวมนี้สินที่เขากู้ยืมไปมาได้หมดเอาทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรมาได้และยังมีอนุภาพนำทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของอีกสิบแปดกฎมาให้เศรษฐีอีกรวมทรัพย์ที่นำมาได้ด้วยอนุภาพของท่านผู้นั้นถึงห้าสิบสี่กดคือรอยห้าสิบสี่ล้านคนมีสติปัญญาความสามารถขนาดนี้